การที <necessary. S 2> ่จะเข้าใจเรื่องตายแล้วเกิดจะต้องเข้าใจเรื่องโอปปะติกะแจมแจ้งข้าพเจ้าได้สรุปให้ท่านเข้าใจว่าถ้าหากเราเข้าใจความหมายของคำสามคําแจมแจ้งดีแล้วการศึกษาเรื่องวิญญาณและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับความลี้ลับของชีวิตนั้นเราก็จะเข้าใจได้โดยง่ายคำสามคําที่ว่านี้ก็คือคําว่าวิญญาณกรรมและวิบากของกรรม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 จะต้องเข้าใจอย่างนี้เสมอข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าเมล็ดข้าเปลือกยังดีอยู่และสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้เมล็ดข้าเปลือกเกิดขึ้นเป็นต้นข้าวมีอยู่เมล็ดข้าเปลือกก็ดีต้นข้าวก็ดีก็จะไม่สูญไปจากโลกมันจะต้องมีอยู่เสมอต้นข้าวตายแล้วแต่เมล็ดข้าะเปลือกยังมีอยู่มันก็ต้องงอกขึ้นมาเป็นต้นข้าวอีก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 อย่าได้เอาคาว่าพระเจ้าหรือธรรมชาติมาใช้เว้นไม่เสียแต่ว่าเราได้เข้าใจแล้วว่าพระเจ้าหรือธรรมชาตินั้นก็คือวิญญาณ น, นั่นเองถ้าเข้าใจได้อย่างนี้เราก็ใช้คำว่าพระเจ้าหรือธรรมชาติได้ในเมื่อเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าตัวการที่สร้างสรรชีวิตและควบคุมชีวิตอยู่ทุกขณะนั้นคือวิญญาณและวิญญาณที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักได้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 ถ้าในสมองหรือในเซลล์ประสาทไม่มีวิญญาณความรู้สึกเนื้คิดจะเกิดขึ้นจากสมองหรือประสาทไม่ได้เป็นอันขาดแต่อย่างไรก็ดีขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราศึกษาเรื่องวิญญาณไปให้ลึกซึ้งจนถึงที่สุดแล้วเราก็จะพบว่าสสารก็คือวิญญาณนั่นเองซึ่งในเรื่องนี้น้อยคนที่จะเข้าใจที่พูดไว้นี้ก็เพียงแต่สกิดใจไว้เท่านั้น ซึ่งถ้าหากไม่เข้าใจก็ปัดออกไปเลยอ ย, <interpret. S 1> อย่าได้เอามาคิดเป็นอันขาด <st aff> เมื่อเรามองดูมเมล็ดข้าเปลือกมันก็มีการเวียนว่ายตายเกิดชั้นใดเราก็ควรจะมองดูเรื่องวิญญาณให้เข้าใจว่ามันก็มีการเวียนว่ายตายเกิดในทรรนองเดียวกันแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องจางไว้ก่อนว่ากฎของวิญญาณมีอยู่ดังนี้